สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่27ข้อ13ถึง16ครับสุภาษิตบทที่27ข้อ1 3ถึง16โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นและยึดตัวเขาไว้เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าวบุคคลที่ตื่นแต่เช้ามืดไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาบแช่งฝนย้อยแปะแปะไม่หยุดในฤดูฝนฉันใดผู้หญิงที่ขี่ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกอบน้ํามันด้วยมือขวาพี่น้องครับการที่เราจะเข้าใจพะระคมภีร์อย่าลืมว่าเราต้องการบริบทเพื่อที่จะนําไปซึ่งความคิดต่อเนื่องกันครับ เราจะเห็นว่าในข้อ13นั้นบอกว่าจงยึดเสื้อผ้า ข, ของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นและยึดตัวเขาไว้เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าวซึ่งต่อจากข้อ12เสองพระวจนะของพระเจ้าบันทึกว่าคนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขานั้นเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคนที่มีสติปัญญาคนที่อย่างรู้คนที่มีความคิดรอบคอบสุ ข, ขุม คนที่รักพระเจ้าและดำเนินอยู่ในการเชื่อฟังพระเจนของพระเจ้านั้นเขาจะรู้บางสิ่งบางอย่างล่วงหน้าและเห็นอันตรายและสามารถที่จะปกป้องตัวเองโดยการซ่อนตัวจากพยันตรายนั้นแต่คนเขาหรือคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่หยิ่งยโสเขาจะเดินเรื่อยไปและในที่สุดเขาจะรับอันตรายนั้น เขาไม่สามารถที่จะเห็นอันตรายล่วงหน้าได้และไม่สามารถที่จะซ่อนตัวเองออกจากอันตรายได้ไม่สามารถปกป้องตัวเองออกจากอันตรายได้ตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการค้ำประกันหรือรับประกันครับในข้อ13ได้บอกว่าจงยึดเสื้อผ้าของเขาวไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นและยึดตัวเขาวไว้เมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าพี่น้องครับพระกัมภีร์ข้อนี้ก็ได้ทําให้เราต้องย้อนกลับไปดูครับว่า พระกัมพีในบทอื่นๆข้ออื่นนั้นได้ให้ความหมายตรงนี้อย่างไรเราจะพบว่ามีการตรงกันของคําสอนครับซึ่งปรากฏอยู่ในสุภาษิตครับบทที่20สุภาษิตบทที่20่สข้อ16ครับตรงนี้ได้พูดถึงเรื่องของการคาประกันการคําประกันนั้นพระกัมพีไม่อนุญาตให้ทานะครับหรือไม่ส่งเสริมให้ทาที่นี่เราบอกว่า เจ้าหนี้ถูกสั่งให้ยึดเชือกคลุมของลูกหนี้ผู้เซ็นเป็นลูกหนี้ร่วมหรือเป็นผู้ที่ค้ำประกันการค้ำประกันคนอื่นนะครับก็ถือว่าร่วมเป็นลูกหนี้ด้วยความเต็มใจพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคนที่เป็นลูกหนี้นั้นไม่สามารถคืนเงินได้นะครับไม่สามารถคืนเงินที่กู้ยืมจากเจ้าหนี้ได้ฉันจะเป็นลูกหนี้แทนเนี่ยครับคือความหมายของการ คำประ ก, กั น, นเพราะฉะนั้นการคำประกันคนแปลกหน้านะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในข้อนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงต่างด้าวผู้หญิงต่างด้าวนั้นหมายความถึงผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยิวนะครับ uhh ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดื้อดึงครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคำประกันให้คนแปลกหน้าโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิงที่ดื้อดึงเป็นผู้หญิงผ่าเรา เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนอิสราเอลเป็นหญิงต่างด้าวคนเหล่านี้ก็กราบไหว้รูปเคารพคนเหล่านี้ก็ทําตามใจของตัวเองและเข้ามาอยู่ในชุมชนของอิสราเอลพี่น้องครับมีโอกาสสูงมากครับที่เจ้าหนี้จะไม่ได้รับการชําระหนี้และผู้เซ็นคําจะตกอยู่ในความลําบากเพราะว่าเป็นเจ้าหนี้ร่วมตรงนี้นี่เป็นอันตรายครับพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งก็พูดชัดเจน นะครับในบทที่6ครับข้อที่1ถึงข้อที่หสุภาษิตบทที่6ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หนะครับก็อยู่ในเรื่องราวที่บอกว่าถ้าผู้ใดลงชื่อรับประกันหนี้สินของคนอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคนนั้นจะต้องพยายามหาทางหลุดพ้นจากการค้ำประกันนี่คือพันธะที่ผูกพันเป็นเจ้าหนี้ร่วมโดยเร็วที่สุดครับถามว่าทําไมโดยเร็วที่สุดครับเพราะว่าคุณ หลงไปแล้วครับตกกับดักไปแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าได้สอนเราว่าอย่าไปเป็นเจ้าไปอย่าไปเป็นลูกหนี้ร่วมครับอย่าไปค้าประกันใครนะครับบางคนบอกว่าคําว่าเพื่อนบ้านหมายถึงญาติพี่น้องแต่ไม่ใช่ครับเพื่อนบ้านนั้นอาจจะหมายถึงคนแปลกหน้าหรือคนอื่นๆแสดงให้เห็นชัดว่าการรับประกันนะครับไม่ควรทําครับการค้าประกันไม่ควรทําเป็น ภาษาที่พระกัมพีใช้นะครับด้วยความรุนแรงว่าติดกับหรือติดบ่วงนะครับโซโลมอนนั้นใช้ภาษารุนแรงมากว่าใครที่ค้ำประกันคนอื่นนั้นเท่ากับติดกับดักกับติดบ่วงจะต้องหาทางที่ออกมาจากกับดักนั้นโดยเร็วที่สุดนะครับการที่ไปค้ำประกันเพื่อนบ้านนั้นก็ทําให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกควบคุมนะครับจากเพื่อนบ้านนะครับ นี่คือสิ่งที่พักัมพีเตือนหลายคนนะครับที่ผมรู้จักไปค้ำประกันนะครับไหนที่สุดก็ต้องรับสภาพครับเพราะว่าลูกนี่ไม่สามารถจ่ายนี่ได้นี่คือสิ่งที่พักัมพีเตือนไว้แล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องยึดเชือผ้าของเขาไว้เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่นต้องยึดตัวเขาไว้เมื่อเขาประกันให้หญิงต่างดาวพี่น้องครับนั่นหมายความว่าอย่าอย่าไปไว้ใจครับอย่าไปไว้ใจ ไม่ว่าคนคนนั้นนะครับจะเป็นคนที่ดูแล้วน่าไว้ใจอย่างไรก็ตามพี่น้องครับเราจะต่อครับในข้อที่14บุคคลที่ตื่นเช้าไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเขากลับจะเห็นว่าเป็นคำสาปแช่งที่นี่นั้นมีความหมาย2 อ, อย่างครับความหมายอย่างแรกก็คือคนที่ไม่รู้กาลเทศะนะครับความหมายอย่างที่2ก็คือคนที่น่าซื่อใจคดพี่น้องครับ คนที่ไม่รู้กาลเทศะนั่นก็คือว่าในเวลาเช้านะครับเช้าตรู่เขายังอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงยังไม่พร้อมที่จะรับแขกการที่จะไปเยี่ยมเยียนหรือการที่จะไปอวยพรนะครับด้วยเสียงดังนะครับก็ไม่เป็นประโยชน์ครับการอวยพรก็หมายถึงการยกย่องชมเชยนะครับการสันเฉินการขอบคุณอะไรประมาณนี้นะครับคือ ความหมายคําว่าการอวยพรการอวยพรเพื่อนบ้านแท้จริงเป็นสิ่งที่น่ายกย่องนับถือแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เช้ามืดครับนั่นคือกาละเทศะที่ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันครับการไวต่อความรู้สึกของคนอื่นที่กําลังหลับอยู่นั่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นการกระทําที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องนั่นคือกาลเทศะนะครับถ้าเราทําอย่างไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ถูกกาละเทศะและไม่ไวต่อความรู้สึกของคนอื่น ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมและจะทําให้กลายเป็นคํำสาปแช่งได้การอวยพรจะกลายเป็นคํำสาปแช่งได้อีกความหมายหนึ่งของข้อนี้ก็คือการอวยพรเพื่อนบ้านอย่างน่าซื่อใจคดนะครับก็คือสรรเสริญเขาอย่างเสียงดังผิดปกติในเวลาเช้าตรู่ที่ผิดปกตินะครับนี่แหละครับจะได้รับคํำสาปแช่งจากคนอื่นนะครับ จากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นรู้ครับว่านี่คือพฤติกรรมการหน้าซื่อใจคดพฤติกรรมการหน้าไหวหลังหลอกพฤติกรรมการเฟ็กนะครับก็คือการที่ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นการวอวยพรคนอื่นนั้นถ้าเราทํามาด้วยอาการเช่นนี้นะครับก็ต้องระมัรดระวังครับอย่ากลายเป็นคนหน้าซื่อใจคดเราจะต้องระมัดระวังที่จะทําสิ่งต่างๆที่ดีในวิธีที่ถูก และในเวลาที่เหมาะสมครับพี่น้องครับเราจำเป็นต้องระมัดระวังที่จะทำสิ่งต่างๆที่ดีในเวลาที่ถูกต้องณนะเวลาที่เหมาะสมวิธีที่ถูกต้องและความจริงใจนะครับมีอยู่4อย่างครับ1ก็คือต้องใช้วิธีที่ถูกต้อง 2. ณเวลาที่เหมาะสม 3. ต้องจริงใจ 4. ต้องดีนะครับ นี่คือ4อย่างที่เราจะทำต่อผู้ที่เราเคารพนับถือผู้ที่เรารักถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการผิดกาลเทศะผิดวิธีนะครับถ้าทีในใจก็ไม่ถูกเวลาก็ไม่เหมาะนะครับต่อไปครับในพรจ้ข้ารเจ้าในข้อ 15-16 นั้นก็เป็นข้อที่สามารถอธิบายคู่กันไปได้ครับพระคัมภีร์สอนว่า ฝนย้อยแปะแปะไม่หยุดในฤดูฝนชันใดผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะก็เหมือนกันฉันนั้นที่จะยับยั้งเธอก็เหมือนยับยั้งลมหรือกอบน้ำมันด้วยมือขวาที่นี่เราจะเห็นน้ำที่ย้อยหยดไม่หยุดเป็นภาพของธรรมชาติที่น่ารำคาญของภรรยาที่ขี้ทะเลาะคือผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ขี้ทะเลาะนะครับก็เหมือนกับน้ำฝนที่ไหลหยดไม่หยุดในฤดูฝน เธอก็ก่อเกิดความลำคาญนะครับเพราะเหตุที่เธอเป็นคนชอบทะเลาะหรือขี้ทะเลาะเพราะเธอไม่เคยหยุดที่จะทะเลาะกับสามีหรือคนอื่นๆเธอชอบการวิวาทครับพูดง่ายๆว่าต่อปากต่อคํานะครับและเสียงดังใช้อารมณ์นํานะครับไม่มีใครที่ยับยังเธอได้ครับเพราะว่าเธอเป็นเหมือนกับลมครับนะ ใครที่ยับยั้งเธอก็เหมือนกับยับยั้งลมนะหรือพยายามที่จะควบคุมนิสัยขี้ทะเลาะของเธอนั้นเป็นไปนไม่ได้ครับเหมือนกับการพยายามที่จะกอบน้ามันด้วยมือนะครับก็กอบไม่ได้ต้องมีภาชนะกอบเ่ไหมครับเวลาที่เราจะเอาน้ำมันขึ้นมานะครับจากบอ่อจากหายต้องใช้ภาชนะแต่นี่ใช้มือเพราะฉะนั้นมันเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในขณะที่พระกัมพีสอนให้เราระวัง หญิงขี้ทะเลาะนะครับถ้าคนที่แต่งงานกับหญิงที่ขี้ทะเลาะนะครับก็เหมือนกับบ้านนะครับหลังคาเนี่ยมีรูรั่วเวลาฝนตกนะครับมันก็จะย้อยหยดเปาะแปะเข้ามาในบ้านแท้จริงแล้วผู้ชายที่แต่งงานนั้นเขาก็คาดหวังครับว่าที่จะพบกับภรรยาที่ดีนะครับแต่ว่าพบกับภรรยาที่ขี้ทะเลาะนะครับ พบกับภรรยาที่ดีนั่นหมายความว่าภรรยาของเขานนั้นจะปกป้องเขาจากความไม่สะดวกสบายหลายอย่างนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นได้ผู้หญิงที่ขี้เลาะก็กลายเป็นเป็นผู้หญิงหรือภรรยาที่กลายเป็นสิ่งระคายเคืองมากกว่าจะนําความสุขสบายนะครับและความปลอบโยนมาให้ด้วยเห็นนี้เองนะครับเห็นภาพครับว่าหลังคาที่รั่ว เวลาฝนตกนั้นก็ย้อยเปาะแปะแทนที่จะนําความสะดกสบายกับกลายเป็นนําความระคายเคืองเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระกมภีรเตือนพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราบังเกิดใหม่เพราะว่าเจนะของพระเจ้าได้เตือนสอนครับว่าสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะทําไม่ได้ทํายากนั้นเรามีพระเจ้าพระเยซูเรามีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ ที่จะช่วยเราในทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นเรามีพระผู้ช่วยอยู่กับเราเหตุการณ์ต่างๆหลายอย่างสถานการณ์ที่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยฤทธิเดชของพระเจ้าและการช่วยเหลือของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเปลี่ย น, ปยนแปลงแก้ไขนิสัยของเราให้ดีขึ้นนะครับการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งช่วยได้ครับ อาเมน